ยาซีเรียบเรื่องพ่อขัพอันใหญ่หลวงมีชายหนุ่มคนหนึ่งมักจะบ่นว่าตัวเองแสนจะจน และเที่ยวระบายความทุกข์กับคนอื่นอยู่เสม อ, อจะวิเศษเพียงไหนหนอแถ้าฉันมีทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งถึงเวลานั้นฉันก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเขามักจะพูดเช่นนี้พร้อมกับทอดถอนใจวันหนึ่งมีช่างหินผู้ชาราเดินผ่านหน้าบ้านของชายหนุม่ม ก็ได้ยินคำพูดดังกล่าวของชายหนุ่มช่างเห็นจึงถามเขาว่าเจ้าทำไมจะต้องระบายทุกเช่นนี้เจ้ามีทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่อยู่แล้วนี้ฉันมีทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่ชายหนุ่มพูดด้วยความประหลาดใจยิ่งทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่นี้อยู่ที่ไหนกันละ่ะทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่นี้ คือดวงตาของเจ้าเจ้ายินดีจะขายดวงตาขู่นี้ของเจ้าไหมเจ้าต้องการขายเท่าไรชายชราถามพูดอะไรนะชายหนุ่มพูดด้วยความประหลาดใจยิ่งไม่ว่าท่านจะใช้ของมีค่าอะไรก็ไม่อาจจะแลกดวงตาของฉันได้หรอกดีช่างหินผู้ชราพูด ถ้างา น, นตัดมือทั้งสองข้างของเจ้ามาสองมือของเจ้าก็สามารถแลกทองได้ไม่น้อยทีเดียวไม่ฉันไม่อาจเอามือของฉันไปนแลกกับทองชายหนุ่มกล่าวบาัดนี้เจ้าควรจะเข้าใจแล้วละ่ะซิเจ้าก็จะร่ำรวยมากมิใช่หรอือ หินผู้ชารากล่าวแล้วทำไมเจ้ายังจะไปเที่ยวระบายทุกกับคนอื่นอีกละ่ะเจ้าจงเชื่อฉันเถอะโพกัพับอันใหญ่หลวงยิ่งก็คือพลานามัยอันสมบูรณ์และพลังวางชาของเราซึ่งไม่ว่าจะใช้เงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่อาจซื้อได้ เมื่อชายชราพูดจบ ก, ก็เดินจากไป